หลวงพ่อก็ว่าอุตส่าห์หยุดนะหลบไปอยู่ที่โน้นที่นี้หลบไม่พ้นนะยิ่งหนักกว่าอยู่วัดอีก <c oughs> เดี๋ยวก็มาทั้งวันเลยนะขอโอกาสนะ้าอะไรเงี้ยแล้วโอ้ยสงสารนะแต่ว่าเราก็แย่ลงทุกทีงั้นเวลาเรียนนะค่อยๆตั้งอกตั้งใจฟังให้รู้เรื่องค่อยๆฟังไปอย่าดื้อเยอะไม่มีแรงเข็นละนะนะ พวกเราเยอะเดียนี้จริงๆแล้วการภาวนาไม่ได้มีอะไรยากเลยเราชอบไปวาดภาพให้มันยากกว่าความเป็นจริงการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจนี่เองไม่ได้มีอะไรเลยคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจดูซิจริงๆกายเป็นยังไงดูซิจริงๆจิตใจเราเป็นยังไงคอยเรียนรู้อยู่เท่านี้มันจะยากอะไรนักหนา ไม่ได้ไปเรียนวิชาการอะไรที่ลึกลับซับซ้อนเลยเรียนเรื่องตัวเองเท่านี้เองใครๆก็รักตัวเองนะแต่ว่าละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองน่าสงสารมากเลยมัวแต่วิ่งไปเรียนอย่างอื่นยกเว้นรู้เรื่องตัวเองไม่เรียนนะรู้สารพัดเลยนะยกเว้นตัวเองไม่รู้ลำบากถ้ารู้ตัวเองนะจะมีความสุข ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะมีความสุขนี่หลวงพ่อพูดทีแรกคนไม่ค่อยเชื่อนะนี่พอพูดไปเรื่อยๆพวกเราเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆมอนเดินเข้าใกล้ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้ามากขึ้นมากขึ้นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชื่อนิพพานนั่นเองนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งที่แห้งแล้งกันดาร จะไปนั่งจุมปุ๊บอยู่เงียบเหงาเศร้าซ้อยไม่ใช่นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเป็นสภาวะซึ่งสงบสันติไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเสียดแทงจิตใจที่เข้าถึงภาวะแห่งความสงบสันตินี้นะมีความสุขที่สุดเลยค่ายเรียนนะค่ายเรียนไม่เห็นมียากอะไรทําไมเรียนยากนักหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้สอนเยอะนะ ตอนนี้นิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ไปดูของเราเองให้มากๆตอนนี้เรียนเยอะไปเรียนเยอะแล้วก็ภาวนาน้อยชิดมากรูปบาอาจารย์เท่นเปรยๆแต่ บ, บางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมดนี่นะรู้หมดเลยแต่ไม่ปฏิบัติ <c oughs> <S <S> เสียหายนะอย่างนี้มัน <c oughs> <c oughs> เอาความรู้อาจารย์ อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วก็จำจำไว้นะแล้วก็ไปพูดอวดท่านเนี่ยไอ้นี่ก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นะท่านพูดเรื่องอะไรก็รู้หมดเลยแต่เป็นบางคนนะส่วนมากท่านก็จะเมตตาปราณีว่าโอ้ขยันภาวนาดีน้อยรายที่เป็นนักคิดเน่ยคิดคิดคิ ด, คดเลยได้คิดมากคิดมากช่างคิดช่างคุยเสียเวลา การภาวนานะมาถึงวันนี้การดูจิตดูใจเยไปทั่วโลกล้วมีคนดูได้เยอะแยะล้วดูเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วด้วยไปเจอพวกโยมโยมที่ภาวนาแนวอย่างครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเลยท่านทําสมาธิอะไรกันฝึกกันเป็นปีๆอะไรอย่างนี้นะบอกท่านปีแรกท่านไม่ค่อยเห็นเขาไม่ค่อยเห็นด้วย ว่าหลวงพ่อสอนอย่างเนี้มันไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์เคยสอนแต่วันนี้เปลี่ยนใจแล้วบอก็เห็นด้วยแล้วนะเพราะว่าคนในเมืองนี่ไปนั่งทําสมาธิอยู่หลายๆปีนะั้นทําไม่ไหวอะ่ะคืนตอนเย็นเหนื่อยแทบตายแล้วให้ไปนั่งสมาธิก็ไปนั่งหลับหลับไปตื่นนึ่งอนอนอีกกว่านะตื่นเช้าขึ้นมาไล่ตีลันฟันแทงกัะเขาอเลยชีวิตโหดร้ายทารุณ น, นะตกค่า ม, มานั่งสักหน่อยนั่งสักหน่อย ในชีวิตกี่ปีกี่ชาติวนอยู่เท่าเนี้ยมันตัดวงจรอันนี้ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาการปฏิบัติเนี่ยรวมเข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ให้ได้เลยไม่ใช่ไปแยกส่วนการปฏิบัติอย่างการปฏิบัติเนี่ยต้องรู้สึกตัวเลยตั้งแต่ตื่นนะจะทํามาหากินจะทําอะไรนะรู้สึกรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างนี้ให้ได้ ก็เท่ากับเราเริ่มลงมือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นแล้วไม่ใช่รอไปปฏิบัติตอนก่อนนอนเนี่ยระบบปฏิบัติตอนก่อนนอนเลิกได้แล้วนะไม่ได้กินหรอกทั้งวันนะั้นกิเลสเราไปกินหมดแล้วกลางคืนจะมาพอนานิดๆหน่อยๆ น, นะพอเกา่าๆกิเลสไม่สะเทือนหรอกคันๆดังนั้นต้องมีสติในชีวิตประจําวันให้ได้นี่ถ้าเรามีสติอยู่ในชีวิตประจําวันรับรองไม่ช้านะไม่ช้า เีคนที่ผ่านสำนักครูบาอาจารย์มามากมายเมื่อวานนู้นมาคุยกับแม่ฉีเล่าแม่ฉีมาเล่าเขายอมแล้วว่าต้องวิธีนี่แหละฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละคนในเมืองถึงจะทาได้แล้วทําได้แล้วก็ไม่ได้เนิ่นช้าขอวิธีที่เคยทํามาแต่ก่อนๆ น, นะวิธีอย่างนู้นก็ใช้ได้แล้วแต่จริตนิสัยคนแล้วแต่ว่าโอกาสของเรามีแค่ไหนนะมีโอกาสไปบวชไม่มีอะไรจะทำนะก็ทําสมาธิไป จิตใจสงบแล้วมารู้กายพิจานาไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาสติะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจได้เองนี่สุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันถ้าเราเรียนแบบทางลัดหน่อยนะยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องรวดเร็วใช่ไหมกรรมฐานก็ต้องฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันนะต้องรวดเร็วจะเรียกว่าอะไรฟาสต์ fast กรรมฐานต้องรวดเร็วต้องทำง่าย ต้องไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินต้องไม่เครียดทุกวันนี้เครียดมากอยู่แล้วทํากรรมฐานก็เครียดก็เพิ่มกําลังบ้าเข้าไปอีกดังนั้นะต้องไม่เครียดต้องทําง่ายๆต้องสบายๆต้องทําได้จริงในชีวิตจริงๆที่สําคัญต้องเห็นผลเร็วนะตั้งอกตั้งใจฟังพอจเจริญสติในชีวิตประจําจวันเป็นเลยพบเลยมันง่ายไม่ต้องทําอะไรเลยร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้เองจิตใจเคลื่อนไหวสติรู้ได้เองนะอัตโนมัติขึ้นมา ไม่ต้องทําอะไรเลยมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะสติเกิดเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดเมื่อนั้นผุดขึ้นมาช่วยแผ่วๆเราเลี้ยงจิตใจที่แห้งแลง้งะทุกวันนี้ทุกคนมีชีวิตอย่างแหง้งแล้งลําบากกัดตีนถีบกัดก็ต้องกัดคนอื่นใช่ไหมถีบก็ต้องถีบคนอื่นถีบมันข้างเดียวได้ที่ไหนอ่ะมันก็ถีบอาบ้างใช่ไหมมันก็เลยถีบกันไปถีบกันมาหาความสุขไม่ได้นะกัดกันไปกัดกันมาเนี่ยชีวิตลําบากมากอยู่แล้ว มาหัเจริญสติมารู้อยู่ปัจจุบันนสิไม่ต้องไปกัดไปทิปกับใครเนี่ยวันๆเห็นแต่กิเลสโผล่ขึ้นมาพอรู้ทันกิเลสนะกิเลสกัดเราไม่ได้ละกิเลสทีปเราไม่ได้ละถ้าเรารู้ไปเราก็ตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้ น, นแล้วก็เข้าใจความจริงมากขึ้นเรื่อยๆการที่จิตใจจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่ได้หลุดพ้นเพราะศีลไม่ได้หลุดพ้นเพราะสมาธินะ เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนต้องรู้ว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนนั้นสมถะถ้าทำได้ก็ควรทำแต่สมถะไม่ใช่งานหลักสมถะเป็นงานสนับสนุนหลายคนไปเอาสมถะมาเป็นงานหลักคิดแต่ว่าต้องนิ่งๆิ่งสกก่อนแล้วถึงจะเจริญปัญญาได้นี่สอนกันมาอย่างนี้เยอะนะ สอนมาอย่างนี้เยอะเลยทั้งๆ ท, ที่พระไตรปิฎกไม่ได้สอนอย่างนี้อย่างพระนรนนะมีมีอยู่บทหนึ่งพระนรนท่านเทศไว้ท่านบอกบางคนนะก็ต้องใช้สมถะนำวิปัสสนานะคือใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานาสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาไี่ใช้ควบไปนะใช้สมถะใช้สมาธินำปัญญาทำยังไงทำความสงบเข้ามาก่อนสำหรับคนที่ทาได้ คนที่ทำได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกตันหาจริตพวกนี้รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบเนี่ยวันวันนะชอบสบายอ่ะชอบสบายทำสมาธิมันสบายง่ายชอบสิขยันทำใช่หไหมจิตใจก็สงบสงบแล้วก็แหมเพลิดเพลินมีความสุขความสบายนี่ใช้ไม่ได้ท่านนึงสอนบอกว่าพอสงบแล้วให้มารู้กายเพราะอะไรเพราะร่างกายเนี่ยมันไม่สุขมันไม่สบายมันไม่สวยมันไม่งาม มันดัดสัยที่ชอบสุขชอบสบายชอบสวยชอบงามได้นั้นทําสมาธิแล้วมารู้กายหรือบางคนปัญญาแก่กล้าทําสมาธิแล้วมารู้เวทนานะเวทนาดูยากกว่ากายกายนี่ง่ายนะเวทนาเป็นกรรมฐานที่ยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะกรรมฐานมันเป็นคู่คู่นะกายกับเวทนานี่คู่หนึ่งจิตกระทำนี่คู่นึง พวกที่ทำสมาธินะก็มารู้กายรู้เวทนาอะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามีความสามารถจะรู้อ่นไหนพวกทำสมาธิไม่เป็นนีพวกนี้ใช้ปัญญานำสมาธิอย่างที่สองนีใช้ปัญญานำสมาธิตามรู้ลงไปเลยอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะจะเน้นอยู่ที่จิตใจเป็นหลักที่ว่าดูจิตดูจิตนี่แหละก็คือกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากนะทำยังไงก็ไม่สงบง่ายๆหรอกเพราะว่าคิดมาก ดังนกรรมาฐานที่เหมากับพวกคิดมากก็คือถ้าคิดมากรู้ว่าคิดมากฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้มันเข้าไปตรงๆเลยจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงนี่เรียกว่าเดินปัญญาไปเรื่อยๆเห็นด้วยบังคับไม่ได้ต่อไปพอกิเลสไหลแว บ, บขึ้นมาในใจนะสติะระลึกรู้ได้เองกิเลสดับปั๊บเนี่ยจิตสงบเองเหไหมเกิดสมาธิขึ้นทีหลังมีปัญญาตามรู้สภาวะธรรม นะโดยเฉพาะกิเลสทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมีสติไปรู้ทันเพราะนิวรณ์ดับนะสมาธิก็เกิดเองเพราะว่านิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิ mm hmm. นี่ใช้ปัญญานำสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะใช้ปัญญาควบการสมาธิสมาธิควบปัญญาทำยังไงอันนี้สำหรับคนเล่นฌานชำนิชำนาญแล้วดูจิตชำนิชำนานแล้วนี่ทำไดนะ้คือในระหว่างที่เราเข้าสมาธินี่ยังไม่ถึงเนวสัญญาดี นะแต่ถ้าเป็นพระอริยาบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตนะในเนวสัญญาก็ยังไปเจริญมิป ส, สนาต่อได้เนี่ในอภิธรรมสอนขนาดนี้นะสอนได้น่าทึ่งมากเลยงั้นเวลาที่เราทรงสมาธิอยู่แล้วมันเจริญปัญญาเราจะเห็นองค์ธรรมในสมาธินั่นเองเป็นอารมณ์กรรมฐานหรือบางครั้งก็มีสิ่งแปลกปลอมแทรกเข้ามานะเห็นความไหวก็เพื่อมุงจิตนไหวๆขึ้นมานี่สติระลึกรู้ลงไป งั้นบางทีนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เห็นการทํางานอยู่ภายในเนี่ยทาทั้งสมาธิทั้งปัญญาควบกันไปจิตก็จะพลิกเป็นสมาธิบ้างจิตจะพลิกไปทํำมิปัสสนาบ้างพลิกไปพลิกมาอยู่ในขณะนั้น น, ะนี่ทําควบกันไปเลยเห็นไหมกรรมฐานมีทั้งหลายแบบที่พระนรินสอนไว้ใช่ไหมใช้สมาธินําปัญญาใช้ปัญญานําสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันทําได้ตั้งหลายแบบนะงั้นอย่ไปคิดว่ามีอันเดียว บางคนท้อใจบอกทําสมาธิไม่ได้สักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้เดินวิปั ส, สนาอันนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วนะการรู้จิตนะการรู้จิตหรือการรู้ธรรมเนี่ยหมาะกับพวกที่ไม่ได้เล่นชานนะเหมาะกับพวกวิปัสนาญาณิกดูเข้าไปเลยดูเข้าไปนะจิตตานุปัสนาเป็นของทําง่ายธรรมานุปัสนาเหมาะกับพวกที่อินทรีย์แก่กล้า กายานุปัสสนาเป็นของทําง่ายเวทนานุปัสสนาเป็นของพวกอินทรีเกศกล้ากายกับเวทนานี่กลุ่มหนึ่งนะจิตกระทำนี่กลุ่มหนึ่งอย่าไปคลอสกันนะบางคนก็มั่วบอกโอ้กายทําง่ายจิตดูยากไนะอน้นั่นคลอสเองท่านไม่ได้แยกกายกับจิตเอามาคลอสกันอย่างนี้กายกับเวทนานี่ยกายานุปัสสนาเหมาะกับพวกตันหาจริตเหมาะกับสมถยานิกคือพวกเล่นฌาน ซึ่งอินทรียังไม่แก่กล้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าเขาจะไปรู้เวทนาส่วนจิตตานุปัสสนานะเหมาะ ก, กับพวกวิปัสสนาญานิกพวกทิฏฐิจริตนะซึ่งอินทรีย์ไม่แก่กล้าถ้าอินทรีย์แก่กล้ามจะไปรู้ธรรมานุปัสสนานะเพราะนั้นเราหัดง่ายๆเราก็รู้กายคนไหนรู้กายได้ก็รู้ไปคนไหนรู้จิตได้ก็รู้ไปนะส่วนเวทนาและธรรมนี่เป็นของยากพวกที่อินทรีย์เข้ากล้าแล้วเขาจะไปเห็นเอง เราั้นเราเบื้องต้นเราก็รู้กายรู้ใจไปง่ายๆกายเป็นยังไงรู so so, so, really? ้ส so, like ึกไหมกายเป็นยังไงกายนี้มันยืนเดินนั่งนอนอยู่มันเป็นของที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนเปลือกอะไรอย่างหนึ่งที่งจิตมาอาศัยอยู่พอรู้สึกไปเปลือกนี้มันเคลื่อนไหวได้กระดุกกระดิกได้พอรู้สึกไปเรื่อยๆจิตใจล่ะจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย แล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาด้วยนะงั้นดูลงไปอย่างนี้เห็นกายเห็นใจนะเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันแก่กล้าพอมันก็ตัดสินความรู้เลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกร่านงะกายนี้ก็เป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราดูกายจะเห็นง่ายว่าเป็นตัวทุกข์ดูกายก็เห็นง่ายว่าเป็นอนัตตาเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูจิตก็เห็นอนิจจังง่าย มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วดูจิตก็เห็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้นะอนัตตานี้มีหลายแงย่หลายมุมนะมีหลายมุมมองมุมนั้นก็ใช่มองมุมนี้ก็ใช่รวมความแล้วก็คือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวตนถาวรนะรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญาเกิดเป็นพระโสดาบันแนละเป็นพระโสดาบันแล้วเหมือนเหมือนลูกที่รู้แล้วว่าเรามีพ่อมีแม่ย ทีแรกเป็นลูกกาพร้าแล้วไม่รู้เลยว่ามีพ่อมีแม่อยู่ที่ไหนชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยวันหนึ่งไปพบคำภีร์เขียนลายแทงบอกไว้จารึกเอาไว้นี่พ่อเองชื่อนี้นี้นะบ้านอยู่ตําบล น, นี้เนี่ยค้นพบประวัติศาสตร์นี้เข้าเนี่ยเหมือนพระโสดาบันนะรู้แล้วว่าเป็นลูกมีพ่อมีแม่บ้านช่องห้องหออยู่ที่ไหนอยู่ที่นิพพานนี่แหละวันหนึ่งก็ต้องเดินทางไปให้ถึงกลับไปหาพ่อคือพระพุทธเจ้าหาพ่อหาแม่ของเรา ก็ไม่ใช่ลูกกัมพล้ารอนาคตอีกต่อไปแต่ว่ายังรอหกรอเฮือนอีกนานบางคนรอหรอเฮือนอีก7ชาติลําบากแต่บางคนพอใจนะตั้งใจเลยพอได้โสดาแล้วไม่ยอมภาวนาต่อแล้วขอเกิดอีกเจชาติเราจะได้มาเสวยผลบุญพวกนี้ประมาทไปนิดนึงมันไม่ใช่มีแต่บุญนี่ที่ผ่านมาก็ทําบาปด้วยใช่ไหมมันก็คงได้เสวยทั้งสองอย่างหละนย ถ้าไม่ประมาทก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะเห็นความจริงเป็นลําดับลําดับไปสตินี่ไวมากเลยไววับรู้สึกวับรู้สึกนะอัตโนมัติไปหมดเลยกิเลสจะเบาบางกิเลสแรงไม่ได้เพราะสติมันเร็วเร็วอัตโนมัตินี่มันเป็นภูมิธรรมของพระสกิทาคามีกิเลสเบาบางแต่ใจยังไม่ตั้งมั่นหรอกใจส่ายไปส่ายมายังแต่สายแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะ เพราะฉะนั้นพระสกิทาคามีเนี่ยมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยเห็นไหมอย่างปัญญาเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะปัญญาเล็กน้อยกับปัญญาอ่อนไม่เหมือนกันพระโสดาพระสกิทาคาเนี่ยปัญญาเล็กน้อยพอขึ้นถึงพระนาคามีปัญญาปานกลางปัญญาปานกลางปัญญาเล็กน้อยนี่เห็นอะไรเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่เป็นปัญญาเล็กน้อยเบื้องต้นปัญญาปานกลางก็คือเห็นความจริงว่า <eld> os, กายนี้เป็นทุกข์ล้วนล้นเลยกายนี้เป็นทุกข์ล้วนล้นเมอเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตจะไม่ยึดถือกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิน่นรสผลทพะเมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิน่นรสผลทพะไม่ยึดตาหูจมูกลินกล้นกายนะกนรรมและปฏิฆาจะขาดอัตาตาตานตรนมัดนะไม่เกิดลนะไม่เกิดเองเพราะว่ากามมันก็คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะปฏิฆามันก็ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนั่นเอง ถ้าไม่ยึดถือมันซะแล้วก็พ้นยินดียินร้ายนะไม่มีกา ร, รมไม่มีปฏิฆะนี่เรียกว่ามีปัญญาปานกลางนะขนาดเห็นแค่นี้ยังเรียกว่าปานกลางของเรายังเรียกว่าอะไรนี่ปัญญาน้อยก็ยังไม่ใช่นะไม่ถึงนะเรียกว่ายังไม่มีปัญญานะเรียกว่ายังมีปัญญาไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนเป็นเทคนะิคเทอร์มหัดรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปต่อไปมีปัญญาเล็กน้อยเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป รู้กายรู้ใจต่อไปอีกโอ้กายเป็นทุกข์ล้วนๆนี่มีปัญญาปานกลางพอกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีปัญญาปานกลางเนี่ยจิตจะไม่แส่สายไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สายออกไปแล้วจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระอนาคา ม, มีถึงมีสมาธิบริบูรณ์มีสมาธิบริบูนะบรณ์อัตโนมัตินะไม่ต้องรักษาอัตโนมัติเลยเพราะว่าไม่แส่สายออกไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะแต่ว่ามองเห็นไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่ใช่ตาบอดหูหนวกนะ กรูอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบแต่ไม่ได้แส่สายไปยินดียินร้ายกับมันนี่เรียกว่ามีสมาธิบริบูรณ์มีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางนะแต่ไปภาวนามากเข้ามาเข้าเห็นตัวจิตนี่แหละตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนสลัดคืนจิตให้โลกไปแล้วไม่หยิบหยิบช่วยอะไรขึ้นมาอีกนะนี่มีปัญญาถึงที่สุดแล้วเห็นแจ้งในอริยสัจ อริยสัจนะเห็นแจ้งว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ได้มีสงวนรักษาขันบางขันเอาไว้เป็นตัวสุขพระนาคามียังสงวนรักษาจิตเอาไว้นะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวสุขอยู่ถ้าสรับใดเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะผู้อยากต่างๆน า, นานานี้มีความทุกข์แต่คนที่จะเดินขึ้นไปถึงความเป็นพระอรหันต์นี่เห็นว่าตัวจิตนั้นแหละตัวทุกข์ ตอนนี้ยังเห็นไม่ได้นะไม่ต้องรีบร้อนเห็นฟังไว้ก่อ น, นชาตินี้ยังไม่ได้ใช้ชาติต่อๆไปก็จะได้ใช้ถ้าไม่เลิกปฏิบัติซะก่อนนะ <c oughs> ให้รู้สึกไปรู้สึกไป <c oughs> อ้าเทศต่อสมควรใครจะกลับบ้านก็เชิญ น, <c oughs> <c oughs> นี่ถามแล้วนะให้คนอื่นเขาบ้างถามแล้วถามอีกเอ้า <c oughs> กลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะช่วงที่ผ่านมาขาลงค่ะ ห ม, มัวมัวสั่วแล้วก็จงใจปฏิบัติมากเลยค่ะแล้วยินร้ายไหม ย, ยินร้ายมากเลยค่ะได้รู้ยินร้ายเขาไปเขาไปคุกเข้าไปควานแล้วก็เข้าไปติดภพที่แบบไม่พอใจอะค่ะออแต่พอมวาวันนี้มันเป็นภพอะไรรู้ไหมภ <laughs> พที่ไม่พอใจภพอะไรดูออกไหมภพนรก <laughs> ใช่ไหมนี่เราพลาดพลั้งตกนรกไปชั่วคราวแล้วค่ะหลายวันเลยค่ะเหรอแต่พอ <laughs> พอมาวันนี้เนี่ยใจก็จะอัพขึ้นมาแล้วรู้สึกถึงความที่มีเลื่องมีแรงขึ้นนะค ะ, อะพอใจไหมนิดๆก็ไปติดพบของเทวดาเ็ละรู้ไม่ได้เป็นมนุษย์สัทีแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สบายอะค่ะหลวงพ่อคือคือป่วยเนี่ยนะคะกับทำความสงบได้ดีดีแล้วก็แยกเวทนาออกมาตั้งเด่นชัดอยู่อะคะ่ะอันนั้นเพราะว่าเรายังป่วยไม่แรงมาก ถ้าแรงมากเนี่ยมันเหมือนเราเข้าห้องสอบแนละว่าไอ้ที่เราฝึกอยู่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อั้นะยังเบาไปใช่ไหมคะเออยังน้อยนะหลวงพ่อมีแนะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไมไม่แนะนำะแล้วฝึกลูกเดียวค่ะนะทำให้มากเมื่อภาวนาเป็นแล้วต้องทำให้บ่อยๆเรียกว่าพระูุลีกตาทำให้เยอะๆนะขยันทำเนืองรู้ไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจแล้วแต่สติจ ะ, ะระลึกอะไรนะะระลึกเองดูออกใช่มค่ ะ, ะระลึกเอง อาใครจะยกมือเฉย<น>คุณค่ ะ, ะครับหลวงพ่อก็ช่วงนี้จะไปเห็นสภาวะตัวหนึ่งนะฮะก็คือจะเห็นเขาไหวๆไหวๆแล้วก็จะค่อยหมุนๆขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้น อ, อ่นั่นแหละมันหมุนๆ น, น้ามันเป็นวัฏตะมันหมุนขึ้นมาครับผมก็จะเห็นจะเห็นบ่อยอครับออแล้วก็คือเขาก็จะคลายออกไปเองเอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แหละตอนนี้เห็นอะไรตอนนี้มัวๆครับมีมัวครับตอนนี้จิตไปติดอยู่ในภพนิ่งๆรู้สึกไหม ไปประคองไว้ออนะไปประคองนิ่งๆซึมๆมาให้รู้ทันให้รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องแก้ต้องใจถึงถึงขนาดไม่แก้นะเช่นจิตมันติดคุกนะสมน้ําหน้ามันให้มันติดไปซิดูซิมันจะติดนานแค่ไหนจิตมันไปติดพบเนี่ยไม่ต้องแก้ถ้าแก้คิดจะแก้แล้วยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ครับแล้วถ้าสมมติว่ามันไปติดตรงนี้ยแล้วคือปล่อยเป็น หาทางแก้ไม่ไม่มันมันจะเหมือนกับอาการทางกายครับคือมันจะง่วงนอนเพลียๆอย่างนี้แล้วคือจะไปอยู่ตรงนี้แล้วมันจะสบายเออมันเออๆไปงี้แหละ <c oughs> ให้เรารู้ว่าพอใจ <c oughs> นะพอใจเรารู้ว่าพอใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตไปอยู่กับสภาวะอะไรหรือสภาวะใดปรากฏเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าจิตไปรู้แล้วจิตเป็นกลางไหม <c oughs> นะถ้าจิตเป็นกลางต่อสภาวะที่ไปรู้เข้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยครับ <c oughs> นะจิตก็มีความสุขอยู่อย่างนี้นแหละ แล้วก็จะเห็นเหมือนกับว่าแบบทุกสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับบางช่วงก็คือจะเป็นกลางบางทีก็เสื่อมลงเห็นเ อ, อ, อย่างนี้ด<ๆ>ีจเจริญแล้วเสื่อมดีแล้วจะได้ไม่ประมาท ถ, ถ้าใครภาวนาแล้วจเจริญลูกเดียวทําผิดแน่ๆเลยเพราะธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนะเมื่อจเจริญขึ้นมาก็ต้องเสื่อมแต่ว่าเราภาวนาจนเราพ้นจากความจเจริญและความเสื่อมนะไม่ใช่พ้นจากความเสื่อมแล้วจเจริญอย่างเดียวครับ เราพ้นจากความเจริญและความเสื่อมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเจริญขึ้นมาก็ไม่หลงยินดีเสื่อมก็ไม่หลงยินร้ายแล้วเราพ้นแล้วดีแล้วกักภานาใช้ได้นะขอบคุณครับเอาคนนี้เ้าเอ า, อ า, อาคนี้ก่อนอยากขอคำแนะนำเฉอยๆอะคะ่ะแล้วโอ้โแน่ตั้งนานแล้วนะจนอแห้งแล้วหัด <laughs> รู้นะรู้ไปด้วยใจลอยแวบไปรู้สึกไหม เนี่ยแอบไปดูแลแอบไปสำรวจแล้วรู้ว่าหนีไปสำรวจเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมไหลไปและรู้รู้ว่าไหลนะเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ไปเรื่อยนะไม่ห้ามนะไม่ห้ามนะถ้าห้ามเราเครียดถ้าเครียดแล้วภาวนาผิดแน่นอนจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตจิตที่รู้ตื่นนี่เป็นกุศลนะไม่เครียดหรอกเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจมันไหลไปให้รู้ทันนะอ้าเบอร์แปดสิบหก หรือเบอร์98เบอร์ไหนแน่มองได้สองด้านอ้าวแล้วก็ต่อไปใครจะยกมือเชิญ เ, เบอร์50นะแล้วก็เบอร์อะไร1ิ 10, แล้วนุ่นข้างหลังอ้าวเชิญเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่ า, าน้อมไปนิ่งๆอะค่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนเนี่ยแค่รู้เฉยๆไม่ต้องสนใจว่า นิ่งนี้คือนิ่งเพราะสมถะหรือนิ่งเพราะไม่ต้องค้นคว้าเลยให้รู้สภาวะไปตัวที่เราต้องการรู้จริงๆคือจิตของเราเองพอเรารู้สภาวะแล้วจิตยินดียินรายขึ้นมาให้รู้ทันแล้วไม่ต้องไปค้นคว้านะไอ้นี่นิ่งเพร อ, อะไรอย่างนั้นเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องดูด้วยว่านิ่ง น, นี้เป็นนิ่งของอากาษาหรือเปล่าใช่ไหมไม่ต้องสนใจนะอย่าไปค้นคว้ารูแ้แล้วก็จบตรงที่รู้เลยมันนิ่งแล้วใจพอใจรู้ว่าพอใจ ใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ต้องค้นหาคำตอบแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าทำไมถามเยอะคนนี้อ้าว่าไปที่มีทางเดินสามทางคือสมถานาแล้วก็ปัญญานำแล้วก็ทั้งสองอย่างหนูนี่ปฏิบัติเราดูของเราไปเลยนะใช้ปัญญานำไปใครยกมือหน้าตะกี้นี้เบอร์ห้าสิบเหมือห้าสิบ อคุณต้องนี่ดีมากช่วยเตือนหลวงพ่อกําลังนึกว่าคุณต้องซะอีะอ 50, กเบอร์ห้าสิบเชิญนำกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมาที่นี่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกมาแล้วไม่เจอหลวงพ่อครับมผมอยากจะให้หลวงพ่อตรวจดูสภาวะธรรมผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมดีแล้วฝึกไปมันซึมไปนิดหนึ่งนะบังคับตัวเองเยอะไป น, นิดหนึ่งปล่อยซะแต่ว่าที่ฝึอกอยู่ใช้ได้ละใจมันค่อยตื่นแล้วล่ะ ถ้าพูดถึงเแบบเสมือนถ้าผมตอนเนี้ยผมกําลังเดินถ้าพูดถึงว่าเดินสี่ผัดคูดลอยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมเดินอยู่อย่าถามนาเรามีหน้าที่รู้โลกปัจจุบันนะอย่ารีบร้อนยิ่งยิ่งอยากได้เร็วนะยิ่งช้าถ้าคุณรู้ซื่อๆนะไม่ช้าหรอกบอกให้นี่บอกใบ้แล้วนะเนี่ยเกรงใจมากนะถึงบอกนูน่นนู่นใครนะต่อไปเบอร์อะไรโอนโ่น คอตื่นเต้นนิดนี้ครับหลวงพ่อคืออยากทราบว่าที่ผมทํามาใช้ไ ด, ดได้แล้วติดตรงไหนบ้างแล้วก็ไ ม, ไ, มไม่ต้องทําอะไรรู้สึกไปอย่างเนี้ยรู้สึกเรื่อยๆนะใจค่อยตื่นแล้วละ่ะใช้ได้แล้วก็ผมทําสมถะด้วยครับหลวงพ่อแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรทําได้อทําแล้วอย่าไปติดมันกันแล้วกันครับก็พยายามทําอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีติดบ้างในตัวสมถะเองอถ้ารู้ทันว่าติดมันไม่ติดหรอก ถ้าไม่มันติดเพราะไม่รู้ทันนะถ้าเรารู้ว่าใจเราไหลไปเกาะกับพบอันนี้แล้วพอใจในสภาวะ น, นี้อยู่อะไรเงี้ยไม่ติดหรอกผมส า, สามารถใช้ใช้วิธีวิธีการดูจิตผสมกับเดิมที่ผมทำอยู่ได้ใช่ไหมครับได้แต่เดี๋ยวลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูนิดสิที่ว่าทำสมาธิทำยังไงทาโชว์สิต <c oughs> ้องกาจยาก <c oughs> ทะทได้ไหมไหนลองทําโชว์นิดหน่อยก็ได้ทําสบายลืมหลวงพ่อไปเนี่ยเราน้อมใจให้นิ่งรู้สึกไหมพอใจเรานิ่งลงไปนะเอาพอแล้วพอแล้วพอใจเรานิ่งลงไปเรารู้ว่านิ่งนะให้ตามรู้จิตลงไปเลยตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติไปเลยนะมันจะทำให้ไม่เสียเวลานานต่อไปเวลาพอมันนิ่งเรารู้ว่านิ่งมันสายเรารู้ว่าสาย แล้วก็บางช่วงจิตที่เข้าไปพักนิ่งๆอยู่บางช่วงถอยขึ้นมานิดนึงแล้วมันสายใหม่เราก็จะเห็นมันสายอีกเนี่ยเราทําทั้งสมาธิและปัญญาไปด้วยกันเลยจะได้ไม่ช้านะถ้าเอานิ่งนานๆเป็นวันๆแล้วช้าเสียเวลาเพราะงานหลักของเราคืองานเจริญปัญญาเข้าใจที่หลวงพ่อบอกไหมเพราะงั้นนั่งเวลานั่งเนี่ยนะไม่ใช่นอฟอย่างนี้นะเนี่ยถ้าลงไปอย่างนี้แนละ้วอยู่เป็นวันๆดูออกไหมอย่างนี้ไม่เอานะ ขอบคุณครับใครต่ออ้าวที่หลวงพ่อทำเนี่ยทำให้ดูนะหมายถึงตื่นขึ้นมาอย่ายให้มันไหลลงไปนะหลวงพ่อขอความเมตตาค่ะคือ อ, อ, อาทิตย์นี้มีปัญหาในที่ทำงานค่อนข้างเยอะทีนี้มีคนมากมายเลยมา คอยเล่าเรื่องของเขาให้หนูฟังอคือเอี้สงสัยตัวเองว่าอารมณ์กังวลแล้วก็เศร้าโศกแทนเขาเนี่ยมันเป็นกิเลสแบบเป็นสิเป็นโทสะเป็นโทสะเหรอคะอเอางี้จำไหมนะเคล็ดลับใครเขาจะมาเล่าเรื่องกลุ้มใจให้เราฟังเขาบุดก่อนจก่อนขอฉันเล่าก่อน <laughs> ฉันกําลังกลุ้มเยอะเลยเธอนั่งนิ่งๆฟังฉันไปเรื่อยๆนะ แล้วเราไปแต่งเรื่องไว้ก่อนนะเล่าให้มันเข็ดไปเลยคือตัวเองไม่มีปัญหาแต่ทั้งบริษทัทเขามีกันหมดเลยค่ะ อ, อก็มีทั้งเวอร์ชันภ า, าษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ อ, อก็จะมารุมเงินบอกเรื่องราวมากมายเขามารุมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราร่มเย็นนะเขาร้อนมาเขาก็วิ่งมาหาที่เย็นๆแต่ว่าเรามันยังไม่เย็นจริงใช่ไหมพอเขาเอาร้อนๆมาใกล้เราเลยร้อนไปด้วย ไม่เราต้องเอาตัวรอดนะวิธีเอาตัวรอดแนละ้วเขาจะมาปรับทุกข์นะรีบปรับมันก่อนเอาเรื่องตั้งแต่เรายัางไม่ได้ภาวนาก็ได้ะบอกเนี่ยกลุ้มใจมาแต่เด็กเลยเรื่องโน้นเรื่องนี้สีหลังมันเข็ดมันไม่มีความสุขมไม่มายุ่งกับเราหนูจะพยายามเราไม่ใช่กระโถนนะออตีเกือบจะเป็นแล้วค่ะ อ, อยา่าไปสมัครเป็นอีกอันหนึ่งคือ ปกติเนี่ยจะนั่งอจะสวดมนต์วัดเย็นทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิประมาณห้านาทีอพบว่าหลังจากที่มีผู้คนมาเล่าเรื่องให้เราฟังเยอะมากระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้อยากจะคิดนะคะแต่ว่าจิตใจมันไปเอาคําพูดเดิ ม, ม, มกลับ ม, มาห้ามไม่ได้นะมั้ยเสียเวลาเราคือถ้ามันจําเป็นต้องฟังนะก็ฟังไปแต่ฟังไปแล้วก็ถ้าใจเราเป็นกลางเราจะไม่ไปแอบซอบมาไม่ไปเก็บมา แต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางนะมันจะเก็บขยะเข้ามานี่ถ้าหากพลาดพลั้งเก็บขยะเข้ามาแล้วเนี่ยเวลามันฟุ้งขึ้นมาให้สักว่ารู้สักว่าเห็นอย่าอยากดีอย่าอยากสงบถ้าอยากดีอยากสงบเราจะยิ่งฟุ้งมากกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นถ้ามันจําเป็นต้องฟังหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ฟังอย่างมีสติถ้าระหว่างที่ฟังเกิดขาสติไปมีอารมณ์ร่วมกับเขายังไงก็มีขยะกลับบ้านแนละ้วนะเราก็นั่งดูขยะไปรับชะตากรรม ร<น>ู้สึกวิบากเยอะอาทิตย์นี้อ่ะัแหละวิบากวิบากเพราะว่าใจเราไปเล่นด้วยถ้าใจไม่เล่นด้วยไม่เป็นไรอย่างหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้นะคนชอบมาเล่าเรื่องนอนเรื่องนี้หลวงพ่อไม่ฟังนะใครยังมาเล่าอะไรที่เกินกว่าเรื่องเจริญสติไม่เอาเลยนะแล้วสั่งเลยนะอย่าเอาเรื่องร้อนๆมาเข้าวัดนะขี้เกียจฟังเราฟังมานานแล้วเบื่อนะขอบคุณค่ะอ้าวคุณนั้น ขอโทษนะใครยกไว้แล้วหลวงพ่อลืมไปและวเห็นคนนี้เขา ย, ยกพอดีแก่แล้วนะเห็นใจกันบ้างกับน้ำสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับก็รู้สึกเป็นบุญนะที่ได้เจอหลวงพ่อในครั้งแรกเลยนะครับก็คือผมเนี่ยครไปภาวนามาสองครั้งฮรประมาณแปดวันเจ็ดคืนนะครับรู้สึกว่าที่บอกว่าเห็นยานหรืออะไรนะฮะก็ไม่ได้เห็นเลยสักครั้งหนึ่งที่ไปนะฮะ มาสองครั้งเนี่ยอยากให้หลวงพ่อดูสภาวะธรรมห้หน่อยครับใช่ได้แล้วนะดีแล้วที่ไม่เห็น <laughs> มีพระมาเล่านะทั้งพระทั้งโยมมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าคำสอนเรื่องยานยานอะไรเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยพระที่ท่านเรียนอภิธรรมใอะไรเงี้ยท่านไปทวงครูบาอาจารย์ของท่านบอกว่ามันไม่ใช่นะครับท่านบอกท่านรู้ว่าไม่ใช่หรอก แต่ว่าเหมือนกับครเข้าทุบร้อนมาก็ให้กําลังใจไปก่อนแล้ววันหนึ่งไปเจอทางปฏิบัติที่ไปได้นะก็จะได้มีกําลังไปได้จริงๆเป็นสมถะเท่านั้นแหละครับนะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีพระท่านมาหาองค์หนึ่งท่านก็มาเล่า ว, ว่าเนี่ยท่านไปคุยกับครูบาอาจารย์สายนี้แหละผู้ใหญ่เลยซึ่งเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆนู้นเลยนะท่านบอกว่าไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่วิปัสนาครับนะ แต่ว่าเหมือนคนเขาหิวข้าวมาท่านใช้คํานี้บอกว่าเหมือนคนเขาหิวข้าวมาก็ให้เขากินคล้ายๆประทังไปก่อนน่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นก็ไม่เห็นเป็นไรให้เรามีสติกิเลสใดๆเกิดขึ้นในปัจจุบันให้รู้ลงไปลูกเดียวเลยอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่างเมื่อเกี้ยความอยากพูดเกิดขึ้นทราบไหมไม่มีแรงดันเนี่ยแค่รู้เห็นไหมแรงดันนั้นดับไปแล้วตอนนี้เนี่ยสภาวะอื่นๆก็จะเกิดอย่างเดียวกันนี้ เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปจากของคุณอย่าไปจ้องไว้นะของคุณเริ่มจะติดจ้องแล้วะที่ไปฝึกมาสองครั้งมันเริ่มให้ผลแล้วะมันจะติดเพ่งหลวงพ่อครับในครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ไปเนี่ยฮะก็ไ ด, ได้ได้ความคิดมาอย่างว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยก็คือการที่เรารู้ตามรู้ตามจิตแล้วก็ รู้ทิ้งคือบางครั้งเราเผลอไปเช่นเผลอไปโกรธหรืออะไรเนี่ยรก็จะรู้สึกรู้ทิ้งอารมณ์โกรธเพื่อที่จะรู้ทันอันนี้ใช่ไหมครับอย่าจงใจทิ้งนะครับแล้วอย่ากําหนดเท่านั้นแหละกำหนดเป็นอุบายเท่านั้นอุบายของสมถะนะในขณะที่จิตเราเราแอบไปคิดเนี่ยในขณะนั้นเป็นอกุศลในขณะที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปคิดขณะนั้นรู้เรียบร้อยแล้วเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วในขณะที่บริกรรมว่าคิดหนออะไรเนี่ย นี่ตกจากมิปัสนาล้ไปคิดครั้งใหม่แนละ้วเพราะเราอย่ายไปกําหนดนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนี่การกําหนดก็มีประโยชน์เหมือนกันกันกบบางคนบางคนหัดดูสภาวะแนละ้วโกรธขึ้นมาโกรนนอโกรนนอเป็นการย้ําตัวเองว่าเนี่ยสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะนี่บางคนไม่เข้าใจพอโกรนนอเพื่อจะให้หายโกรธ ถ, ถ้าโกรนนอเพื่อให้หายโกรธนั่คือบริกรรมคือสมถะนั่นเอง แยกสมถะกับวิปัสนาให้แม่นๆแล้วก็ไปได้วิธีการไม่สําคัญหรอกคนะเปลือกจะเป็นเปลือกอะไรก็ใช้ได้นะเราภาวนาแบบมีปูอะไรนะคุณมนุ์รู้ไหมปูอะไรที่มันเปลี่ยนไปอยู่ในหอยเซเสฉวนใช่ไหมเออไอปูนี้นะบางตัวมัก็ไปอยู่เปลือกที่สวยๆใช่ไหมบางตัวเปลือกไม่สวยเนื้อในมันอันเดียวกันแต่เปลือกไม่เหมือนกันไม่สําคัญหรอกนะสําคัญที่เนื้อใน เนื้อในของผู้ปฏิบัติก็คือมีสติถูกต้องไหมมีสัมมาส ม, มาธิถูกต้องไหมเจริญปัญญาด้วยวิธีการที่ถูกต้องไหมถ้าสามอย่างนี้ถูกต้องก็ใช้ได้แล้วสติก็ระลึกรู้สภาวะที่กำลังปรากฏไปเรื่อยระลึกทาหน้าที่ระลึกไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดกำหนดแปลว่ากฎกำหนดกับกฎนะักคาเดียวกันนะมาจากภาษาเขมรนัร่นสติสักแต่ระลึกไป สมาสมาธิใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูใจเป็นคนดูใจตั้งมั่นนะสมาธิที่พวกเราทําเป็นใจเข้าไปตั้งแช่เช่นไปรู้ลมหายใจใจก็ไปอยู่แช่อยู่ที่ลมไปรู้ท้องใจไปแช่อยู่ที่ท้องไปเดินตรงกรมใจไปแช่อยู่ที่เท้าสายหลงพ่อเตียนขยับมือหลงพ่อเตียนขยับแล้วตื่นนี่ลูกศิษย์รุ่นหลังๆบางคนขยับแล้วไปแช่อยู่ในมืออย่างนี้นี้ใช้ไม่ได้สมาธิต้องตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่เห็นสภาวะไหลผ่านหน้าไป เราดูฟุตบอลนะเห็นนักฟุตบอลมันวิ่งอยู่กลางสนามนู่นเราไม่ได้อยู่กลางสนามฟุตบอลดูอยู่ห่างๆนี่เรียกว่าใจเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปนี่คือตัวปัญญาถ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดมรรคผลขึ้นมาแต่ถ้าสติก็เพ่งไว้กำหนดไว้นะใจก็เครียดภาวนาแล้วเครียดแล้วสมาธิก็เข้าไปนอนแช่อีกเนี่ย สมาธิที่เข้าไปแช่นะั้นมันมิจฉาสมาธิไม่มีกําลังที่จะเจริญตัญญาแต่ถ้าสมาธินั้นใจเราแยกออกมาอยู่ต่างหากเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวผ่านไปเรื่อยเราดูอยู่ห่างๆนะเราเห็นทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วระาวางังเดียวอย่าไปประคองตัวผู้รู้ไว้อย่าประคองจิตประคองใจก็ไม่ประคองนะจิตก็ไม่รักษานะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลง เดี๋ยวก็เป็นผู้ดีเดี๋ยวก็เป็นผู้ร้ายนปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเพื่อเราจะได้เห็นว่ามันไม่คงที่หรอกอ้าวต่อไปใครโอ้เสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อลายๆเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวคุณผู้หญิงผมยาวถัดไปนะกล่าวน้มันสการ์หลวงพ่อครับเพิ่งมากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะครับตอนแรกเตรียมคําถามมาจากบ้านเยอะเลยครับแต่ว่าพอมานั่งฟังตั้งแต่เช้าก็รู้สึกว่าไม่อยากถามแล้วครับก็เลยมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับอฝึกใปนะฝึกไปนะ อยากทราบว่าที่ทําอยู่นี้มีผิดตรงไหนต้องแก้ไหมครับอย่า ก, กังวลสิถามใหม่ไหมว่ามีถูกตรงไหน <c oughs> เรื่อผิดนะอย่า ก, กลัวนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหรไม่ผิดนะอริยมรรคก็จะเกิดล้วงั้นเราก็คล้ยๆเราลองผิดไปเรื่อยอย่างนี้ผิดเราก็รู้ทันจิตเก็ไม่เดินแนวนี้เห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้ผิดก็รู้ทันสิ่งที่ผิดหลักๆมีสองอันไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้สองกลุ่มไม่เผลอก็เพ่ง นั่นต่อไปถ้าจิตเผลอไปก็รู้สึกเอาก็เรียกว่าเข้าทางสายกลางแล้วก็ถูกขึ้นมาชั่วขณะเดี๋ยวก็หลงไปใหม่อย่างตอนนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดแวบก็รู้ว่าไปคิดเนี่ยไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมให้รู้นะไม่ได้ห้ามไม่ห้ามงั้นจิตใจเราจะเป็นยังไงเราคอยตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามมันในที่สุดเราจะเห็นว่ามันทํางานได้เองพอเห็นว่าทํางานได้เองนะั้นดูไปเรื่อยเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานได้เอง เนี่ยมันไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมมันไปคิดของมันเองเนี่ยดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆขอบพระคุณครับอ้าใครต่อใครต่ออ๋อค่นะนมันสกรารนของพ่อค่ะคือที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์มากค่ะแล้วก็กิเลสเยอะมากอืมดีค่ะดีแล้วแล้วตอนนี้ตื่นเต้นอืมจะถามหลวงพ่อไหมว่าจะทํำยังไงค่ะอยากถามนะไม่ทําทําไม่ได้นะ จิตใจเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์รู้ว่าอยาก <c oughs> ให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรจิตมันพ้นของมันเองหรอกเราไม่ต้องไปพ้นแทนมันหน้าที่ของเราคือตามรู้ไปเรื่อยๆในสติปัฏฐานนะนมีกิริยาอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หนหมหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ <c oughs> เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้มีแต่คาว่ารู้ไม่ต้องทาอะไรรู้ลูกเดียว ค, ค, คนนี้ใจเด็ดนะเกรงใจหลวงพ่อยังไม่เข้าใจหรอกเอาแค่นี้ก็แล้วกันกําลังมื่นรู้ไหมมื่นรู้ว่ามืน่นเห็นไหมทาแนบเรียนนะเข้าใจ <c oughs> อย่า ก, กลุ้มใจนะเรียนกับหลวงพ่อนะเราเรียนกันอย่างครูกับลูกศิษย์เรียนกันอย่างกันเองนะออย่าไปตกอกตกใจ เราค่อยรู้สภาวะอะไรเกิดขึ้นเราค่อยหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจเนี่ยจิตหนีไปคิดทราบไหมเมื่อกี้ไหลไปคิดแวบเอเนี่ยนะไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะใจไหลใจเรารู้ไหลเรารู้ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยมันไหลไปอีกเนี่ยมันไหลไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเอออย่างนี้ค่อยรู้เรื่องแล้วไปส่งไหม่ได้แต่เตื่กี้ยังไม่รู้เรื่องหรอกมีใครบ้างใคร อ่าคนนี้เขายกก่อนนะคนนี้ยกไว้ยกไว้หมดเวลายังครกานมัสการหลวงพ่อค่ะออยากจะให้หลวงพ่อตรวจดูสภาวะธรรมขนาดนี้ค่ะซึมไปนิดหนึ่งซึมไปนิดนึงรู้สึกไหมก็เหมือนกดกดนั่นแหละไปกดไว้เดี๋ยวไปกดมันซิจะได้มีความสุขค่ะทำไมต้องกดกลัวไม่ดีกลัวไม่ดีกลัวไม่ดีนึกออกไหมค่ะทำไมต้องกลัวไม่ดี เดี๋ยวหลวงพ่อว่าเสียหน้าอย่ารักหน้านะเรียนต้องหน้าหนาหนา่นี้นะแล้วก็อย่างบางทีโทสะเกิดขึ้นแล้วมันดับช้าอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทำยังไงคะหลวงพ่อทยังไงเห็นไหมมีคำว่าทำเกิดขึ้นแล้วเห็นไหให้รู้ว่ามีโทสะให้รู้ว่าโทสะยังไม่ดับให้รู้ว่าอยากดับโทสะให้รู้นะใจเราไม่ชอบโทสะให้รู้ว่าไม่ชอบนะ ให้รู้ไม่ได้ให้ทํานะค่ะให้ดับเองใช่ไหมมันดับของมันเองสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้าเหตุ ด, ดับมันถึงจะดับไม่มีใครไปดับมันได้หรอกใช่อา้าวใครยกมือต่อเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนูน่นข้างหลังนูน่นคนนั้นยกก่อน น, น่าต้องยกไว้อย่างนั้นเดี๋ยวใครก็แย่งไปอา้าวคนที่ส่งกันบ้านไปแล้วเมื่อกี้มัวๆไปแล้วรู้สึกไหมผมยาวเนี่ย ใจซึมไปนิดหนึ่งและให้รู้ว่าใจซึมไปครับให้หลวงพ่อตรวจครับเล่นแบบไม่ใช้งานเราเยอะเยอะเห็นกิเลสเยอะไหมวันหนึง่งของคุณพอใช้ได้แล้วละ่ะถ้าภาวนาไปแล้วเราเห็นกิเลสเกิดได้ทั้งวันนะเนี่ยภาวนาเก่งถ้าภาวนามาสามวันสามคืนไม่เห็นกิเลสเลยเนี่ภาวนาผิดแน่เลยเพราะว่าใจของเราต้องมีกิเลสบ้าง เดีย๋ยวนั่งี่ใจลอยไปแวบหบนึ่งรู้สึกไหมใจมันไหลไปนะเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมดูออกไหมนิดครับว่าไงนะเมื่อกี้แล้วว่าหลวงพ่อบอกว่าดูออกไหมผมก็เห็นนิดเดียวครับนิดเดียวถูกแล้วมันทีละนิดเดียวนะเพราะปัจจุบันนะมันนิดเดียวคาว่าปัจจุบันมันคือขณะจิตต่อหน้าเรานี่เองเล็กนิดเดียวเองเมื่อเรารู้จุดเล็กๆ เ, เนี่ยทีละจุด รู้ไปตีละเล็กๆเนี่ยรู้บ่อยๆต่อไปมันก็เยอะเองแหละเหมือนน้าหยดลงในตุ่มนะค่อยๆหยดไปทีละนิดเดี๋ยวก็เต็มไปเองอย่ารั่วก็แล้วกันอย่าเป็นตุ่มรั่วนะตุ่มรั่วก็คือขี้เกียจนั่นแหละภาวนาแล้วก็เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ภาวนาอีกอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้ผลอนะ่ะแต่ถ้าใจเด็ดๆตามดูจิตใจของเราไปเลยแต่ละวันนะ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามดูของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แจ้งเองนะ่ะมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธลงก็ชั่วคราวนะความรู้สึกตัวก็ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็หลงไปอีกแว๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงอีกแว๊ บ, บนึงดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ยากหรอกใจมันอยากพูดรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยมันอยากพูดดันขึ้นมาหนึ่งเฮือกแล้วก็รู้ทันว่าใจมันอยากพูด เนไหมความอยากพูดมันดับไปแล้วดูออกไหมเนี่ยดูอย่างนั้นตะกี้เนี้ยใช้ได้นะดูไปเรื่อยๆอใครจะยกมือชเชวนมาส่งมาข้างหน้าเลยม า, มายกไว้ยกไว้ใครที่ส่งกันบ้านแล้วก็ใหญ่ขยันยกนะหมายบางคนไวัยยกเรื่อยๆเอาวันละรอบพอนะแบ่งกันบ้างกราบนมันสการหลวงพ่อค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ใจมันโดนเสียดแทงอะค่ะแล้วก็มันมีความรู้สึกอย่างนี้มาประมาณสองเดือนแล้วนะคะเป็นเป็นเหมือนกับโดนทะลวงอะไรประมาณนั้นนะคะเสียดแทงเป็นระยะระยะค่ะดูไปมันมีแต่ทุกข์นะความทุกข์มันบีบคั้นเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาจิตใจเนี้ยหนีไม่ได้รู้สึกไหมไม่มีที่หนีนดูไปเลยหนีไม่ได้หรอกก็รับชะตากรรมไปความทุกข์ก็เสียดแทงไป หน้าที่ของความทุกข์มันคือป็นคอยเสียดแทงเราดูด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางฝึกอย่างที่เร่ยๆอ้าวยมเมื่อกี้ยกมือรบบนิธ ก, การกับหลวงพ่ออ่ดิฉันเพิ่งมาครั้งแรกค่ะอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อแนะนวนะไปฟังซีดีบ่อยๆนะ เนี่ยจำได้คนนี้เมื่อกี้บอกให้ไปฟังซีดีไปฟังเรื่อยๆฟังแล้วจะมีความสุขนะฟังแล้วใจจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเดี๋ยวค่อยมีสติมีปัญญาขึ้นเป็นลำดับลำดับอ่ะเบอร์8ปดสิเายกมือไว้ยกมือไว้แล้วต่อด้วยอ้นนะเต็มตัวไว้ ครั้งครั้งที่เราหนูกลับเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหนูหนูติดประคองอะคะ่ะหนูก็กลับไปสังเกตแล้วหนูรู้สึกว่าพบว่าการการประคองของหนูอะที่แท้จริงแล้วมันคือการบังคับคือการเพ่งอย่างใจดีอะคะ่ะใช่นั่นแหละมันมันมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเผลอไปกลุ่มหนึ่งเพ่งไว้แต่ละกลุ่มก็มีลูกเล็กลูกน้อยแตกต่างกันเล็กๆน้อยน้อยประคองไว้กําหนดไว้ควบคุมไว้เพ่งไว้เนี่พวกเดียวกัน ให้รู้ทันนะยังเพ่งอยู่ยังไม่เลิกอ่ะอน้นช่วงหลังสติมันไม่ค่อยเกิดฮะเกิดก็เกิดจางๆเล็กๆอ้นต้องซ้อมนะทุกวันซ้อมไหมอย่างเราหัดเดินจงกรมนะใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยถ้าถ้านั่งสมาธิแวบจะรู้สึกฮะแต่ <c oughs> ว่าถ้าอยู่ในบางทีงานมันเครียดทั้งวันบางทีมันแต่ละวันเราแบ่งเวลาทาในรูปแบบนะ จะทําให้เราไม่หลงยาวแต่ถ้าไปไปอย่างไปนั่งสมาธิแล้วมันแบบรู้สึกเนี่ยแต่มันจะมีอาการบ า, บางทีมันใช้ที่ความว่างเป็นเป็นเครื่องอยู่อ่ะฮะไอ้นั้นเรารู้ว่างๆไว้ก็ได้แล้วมันไหลไปจากว่างแล้วเรารู้อย่าประคองไว้ที่ว่างเท่านั้นแหละบางทีมันเหนื่อยมากแล้วมันจะหลุดเข้าไปในช่องช่วยไม่ได้ <c oughs> นั่นจิตมันต้องการพักให้มันพักไปแต่หลังๆลรา ล, ลองลอ ง, ลองใช้กายเป็นเครื่องอยู่บ้างก็ ก็ดีขึ้ น, นได้อะไรก็ได้นะคือกระทั่งจิตจะไหลไปอยู่ในช่องว่างเพื่อพักผ่อนนะก็ให้เขาพักไปแต่ว่าอย่าพักแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ถ้าพักแล้วพอแล้วนะก็มันจะเคลื่อนออกมาเองแต่ถ้ามันไม่ยอมเคลื่อนมันตไปค้างอยู่ให้รู้เลยติดอยู่มันจะมีบางช่วงที่มันไม่ยอมออกอครับครับวมันจะมีสภาวะบางช่วงที่เดือนสองเดือนที่ผ่านมามั น, ม, นมันเริ่มเข้าใจคําว่าจิตทํางานได้เองเออ อย่างนั้นก็เป็นพัฒนาการนะเราเรียนเพื่อให้เข้าใจเท่านั้นนะมันดูมาหลายปีมันไม่เข้าใจมันเพิ่งมาเออม<า>ไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆเขาดูกันตั้งหลายชาตินะกว่าจะเข้าใจดูหลายปีเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจิตของโอนนะ่ะไปประคองไว้ดูออกไหมรู้ออกครับ ม, มันมีซึมมีมเออนั่นแหละมันซึมอยู่ให้รู้ทันไปนะอ้าวไมา้ส่งกันบ้านไปยกมือ ยกมือไว้เขาจะได้ส่งก็ได้เออทําไมหน้าตามันน่ากลัวงี้นมันไม่ค่อยมีสติมาส่งสมบัตแล้วครับ ม, มันเหมือนโมหะมันแทรกตลอดให้รู้ว่ามีโมหะนะที่บอกว่าไม่มีสตินะ่ะไม่ใช่หรอกเอมงี้ครับจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ได้ประคองไว้ต่างหากล่ะครับใม่ไหมปกครองน้อยลงดีแล้วนะครับดีกว่าประครองเยอะครับลนะงอาธรรมหน่อยเรื่องเรื่องอายตนาคําที่เมื่อเช้าท่านพูดเป็นยังไงครับ อายตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมารมณ์รู้จักไหมรู้จักครับถ้างั้นไม่ต้องพูดแล้ววันนี้มันเหมือนมีปีติอะคระแล้วมันนิ่งๆแต่ก็มันมันไม่ได้ไปยืดเชิงรู้สึกเลยว่าใจมันอัพอยู่ครับมันอัพเกินจริงนะมันดันขึ้นมาให้รู้ทันว่าอัพอยู่ไม่ต้องไปแก้คก็แค่แค่รู้ว่ามันอัพอ่ะส่งมาข้างหน้า การนอสการ์ค่ะอ้าวป้าโซหรอกเหรอค่ะหลวงพ่อคะก็คือช่วงนี้ภาวนาไปแล้วอยากเข้าป่าค่ะแล้วทำไมอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเรารู้สึกว่าเราเหมือนเรามาจากป่านะหลวงพ่อเรายังอยู่ในป่าเลยไม่ต้องเข้าป่าแล้วตอนนี้เรากําลังหลงป่าถ้ามีสติเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุดออกจากป่าไปเองแล้ ไม่ต้องไปเข้าป่าอย่างไหนหรอกป่ามีให้เข้าเรือ่องไปดูสิค่แทบจะไม่มีต้นไม้ละก็ะก็มาเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าจริงๆเหตุที่ทุกที่แท้จริงก็สําหรับโซนนะคะเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ใจนะคะ ม, มันไม่ใช่เกี่ยวสิ่งภายนอกยอะไรอย่างนี้นะพ่อแต่มันก็เป็นบางครั้งที่เพราะงั้นทางพ้นทุกก็ไม่ได้อยู่ที่ป่าค่ะให้รู้โลงปัจจุบันไปคือเราไม่ก็จะวนอย่อย่างนี้ค่ะอราภาวนานะอย่าไปเลือกสิ่งแวดล้อมค เรายังจำเป็นต้องอยู่ในบ้านเราก็ภาวนาในบ้านเราต้องอยู่บนถนนขับรถอยู่ก็ภาวนาบนถนนอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาที่นั่นอ้าเบอเก้าส่งกันบ้านค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยดูให้ด้วยนะคะคือเท่าที่สังเกตอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ดูใจตัวเองอะคะ่ะอย่างตอนที่บางทีคุยกับใครนะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบ อาจจะเป็นไม่พ อ, อใจต้องคุยน้อยๆน ะ, ะของคุณเนี่ยถ้าคุยเยอะจะไม่ดีคุยน้อยๆเท่าที่จำเป็นแต่ก็มีอยู่หลายๆครั้งที่คุยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราอาจจะไม่พอใจเขาขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนเหมือนมันจะเห็นแล้วมันก็จะเบาลงเพราะทุกทีบางทีเราจะตอบกลับไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วล่ะนะแต่ว่าหัดเริ่มต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าไม่คลุกคลี ไม่คลุกคลีก็คือไม่คุยเยอะถ้าคลุกคลีมากก็ต้องพูดมากใช่ไหมพูดมากใจเราก็เสียพลังแข่งไปแข่งมางั้นเราพูดน้อยๆเพราะของคุณเวลาพูดนะมันจะพ้ําจะอินในการพูดพราะอะไรนะคะมมัันนอินเออมันจะอินนะรู้ึกนึกออกไหมค่ะเออมันอินแล้วมันจะมันไปเลยแล้วไม่ใช่นนะหลวงพ่อถึงแบบว่าถ้าคุยน้อยๆได้คุยน้อยๆไว้ก่อนค่ะจะช่วยให้เราจิตใจเราตั้งมั่นมากขึ้น แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าที่ว่าอยากดีอ่าเงี้ยค่ะคือบางทีแบบบางคนที่เขากดหรือเพ่งนี่คืออยากดีแต่ว่าถ้าติร์ตัวเองเข้าใจไม่ผิดนะคะของมันจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความที่ว่ากดหรือเพงอ่งเท่าไหร่อะค่ะไรแต่ก็จริงๆก็คืออยากดีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกตรงนี้นไม่เพราะเรากดไม่เก่งแต่เราฟุ้งมากค่ะ <c oughs> ใจฟุ้งแรงรู้สึกไหมใจฟุ้งแรงทําสมาธิไม่ได้หรอกไม่ไม่ต้องไปกดมาหรอกนะไม่ลงหรอกแล้วก็ใจมัน ใจมันขี้ดือ้อขี้โมโหรู้สึกไหมค่ะจะให้เราใครรู้ไปนะ <c oughs> อา้าวทางนี้เ <c oughs> ชจอคุณติม๋มเ <c oughs> บอร์เกา้าใจลอยไปแล้วเห็นไหมเราส่งใหม่ไปเลยหายไปเลย เ, เนี่ยตรงนี้กดเอาไว้ตรงนี้ไม่เอานะอย่าไปกดเดี๋ยวขอดูพวกที่ส่งกันบ้านแล้วหน่อยเดี๋ยวจะมีความสุขมากไปเห <c oughs> ็นไหมเนี่ยสายตา บางคนนะเอารูปหลวงพ่อไปติดไว้แล้วก็ผวานะไม่กล้าศบตากับรูปอ่าคุณติ๋มเช่นพอรับไม้นะรู้สึกตื่นเต้นนะคะก็อยากให้หลวงพ่ออารมณ์พี่ตรวจว่าปฏิบัติตอนหลังๆนี้เป็นไงบ้างคะอย่าไปบังคับมันก็แล้วกันยังบังคับอยู่เลยบังคับเยู่แต่ภาคหลังๆนี่มีความรู้สึกว่าเวลาคุยกับใครนี่เหมือนเราต้องตั้งใจมากๆถึงจะเข้าใจเขาไม่ใจใจมันหนีโลกไปนะ ใ, ใ่มันหนีออกไปจากโลกไปมันไม่ค่อยอยากรู้อะไรละะแล้วแล้วก็จะไปนิ่งๆทื่อๆ อ, อ, อยู่ยนั่นแะไม่เอาต้องทำยังไงอ่ะ concentrate น, น, นิดนึงตั้งใจฟังทำเป็นไหมอย่ ง, ต, งต้องเลยค่ะแบบเวลาจะคุยกับต้ังแ่ตนตังแ่า้นงแต่ต้นับงแตทต้นตั้งต้องต่ตั้งหลนั้งต่นั้ง่นั้งแ้น่ตนั่นตั้งแตนตั้งแต่ต้นันตั้นั่ั้ มันต้องตั้งใจค่ะไม่งั้นมันจะไม่รู้ตัวเลยว่าต้องเข้าใจไม่มันจะหนีหนีไปหาความสุขหลบไปอยู่ยเงี้ยเออ <c oughs> เห็นไหมเออทำเก่งนะเพราะว่าเล่นพวกนี้มาตั้งยี่สิบกว่าปีอยากให้ทำจิตแบบไหนได้เท่านั้นเลยนะ <c oughs> ไม่เอาไม่ใช่ทางอะ ไม่นี่ต้องกดลงดันขึ้นไม่ได้นะของคนนี้ยิ่งดันลิ่งไปนะเพราะว่าจิตมันไปข้างบนต้องตบลงจะสังเกตดูว่าก็กำลังมีบางช่วงมันสงสัยฮะว่าบางครั้งพอมีความรู้สึกว่าเบื่อหรือว่าเห็นทุกข์มันเยอะๆนี่เป็นเพราะฟุ้งซ่านไปหรือเปล่าครับแล้วต้องกลับมาอยู่กับไม่ไม่ต้อง นี่ฝึกอยู่ตอนนี้นะมันใจมันฟุ้งเกินจริงอยู่นิดเดียวเท่านี้นิดหน่อยไม่มากเพราะไปห่วงว่าจะห่วงรู้ว่าห่วงไม่ได้รู้ลงปัจจุบันไปเลยครับใจมันเกินจริงอยู่นิดนึงต้องรู้สึกไหมต้องจะทํำยังไงดีต้องทํำยังไงเห็นไหมมันก็เลยฟุ้งไปจากไอ้ตรงที่เราเห็นว่าพอมันต้องปุ๊บมันก็เลยฟุ้งไปเรื่อยๆมันจะทํางานไงก็ดิ้นหรนปรุงแต่งไปเรื่อยๆครับเงินตัวที่ เราไปเข้าใจธรรมะอะไรต่างๆนี่คือมันหลอกเราใช่ไหมครับเราฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านครับแล้วที่ท่านบอกว่าผมแบบดัชลิศอย่างนี้ครับวันนี้ดีขึ้นจริงๆแล้วบางครั้งมันก็สงสัยอยู่เพราะว่าแล้วตัวจริงๆของเราจริงๆมันก็คือไม่มีมันไปตามสภาวะที่ทต่งจริงรไม่มีใช่ไม้มครับที่จริงไม่มี อ, อ๋อก็คือเราไปสร้างหน้าที่มันขึ้นมาเองเราไปสร้างตัวเองขึ้นมาก่อน ว่าฉันก็คืออย่างเนี้ยสร้างภาพหลอกๆขึ้นมาจากความไม่มีอะไรก็ให้มันมีขึ้นมาที่หลวงพ่อพูดเรื่องหมูกระดาษเลยนะว่าจริงๆมันไม่มีนั่นแหละก็ไปสร้างมันขึ้นมาหน้าที่ก็แค่รู้ทันแล้วก็เลิกสร้างไปอ๋ออาทิตย์ที่แล้วเลยไปงงหมดตลอดเลยอืัโงงก็รู้ไปนะครับอ่าจุ๊จุยกมือไว้ ก็จะสังเกตตัวเองตลอดนะคะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาคิดจะส่งกันบ้างมันก็จะตื่นเต้นมือเย็นขึ้นมาทุกครั้งเลยเจ้าค่ะทําไมมันไม่หายทุกครั้งเลยอยากหายไหมอยากหายเจ้าค่ะมันก็เลยไม่หายใช่ไหมเจ้าคะเพราะไม่ชอบมันตลอดใช่ให้รู้ทันที่ใจไม่ชอบนี่แล้วก็เห็นว่ามันซึมเจ้าค่ะไม่ทราบว่าช่วงนี้ไปติดยังคือยังกดเยอะอยู่ใช่ไหมเจ้าคะไม่เยอะนะช่วงนี้พอนาดีกดเล็กน้อยพองาม เอาเบอร์ยบเกยกวยกมือไว้เบอร์ยี่เอายกไว้เร็วเขาจะได้ส่งถูกเนี่ยอยู่หลังมา น, นั่นแหละ <c oughs> มา น, นี่หลวงพ่อชอบมากเลยมันสะใจดีเ <c oughs> มื่อกี้กาลังเผลออยู่เลยค่ะหลวงพ่อเรียก <c oughs> ที่ภาวนาอยู่ดีนะใช้ได้แล้ว <c oughs> ไปส่งต่อไปนู่นเลยคะ <c oughs> <c oughs> นั่ น, นะคุณที่ใส่เสื้อปกแดงๆอะส่งกันบ้าน <c oughs> ตอนนี้มึนๆอยู่ย ดูไปนะครับเอาคุณเองยกมือไว้ช่วงนี้จิตมีกำลังกว่าคราวที่แล้วใช่ฝังเข็มน้อยลงหรือไม่ได้ฝังใครองสามวันนี้งดไปเลยค่ะไม่ได้ฝังเข็มสิไม่ใช่ไม่ได้ฝังใครรู้สึกไหมจิตมีกำลังขึ้นมาละมีแล้วค่ะเราใช้พลังมากไปเวลาที่เราฝังนะเราใช้กำลังภายในเยอะไป ว, วันก่อนพี่นัทก็โทรมรือถือมาแล้วส่งกําลังภายในมาให้ออก็รู้สึกว่าแบตมันเริ่มเต็มะอะค่ะพอจากที่พี่นัทส่งกําลังมาให้ก็หลับไปเลยจากนั้นก็ค่อยมีแรงขึ้นมาหน่อยค่ะก็อย่าไปพึ่งคนอื่นนะอย่าพึ่งตัวเองเะ <c oughs> พี่นัทส่งมาพี่นัทก็หมอบเห <c oughs> เมือนกันเลยอ้าวภูมิยกมือไว้ภูมิลืมแล้วค่ะว่าจะส่งอะไรือ ลืมแล้วครับว่าจะส่งเงินบ้านอะไรหลวงพ่อปัจจุบันเป็นยังไงเล่าไปมันช่วงช่วงนี้คือจิตมันไม่ตั้งมั่นนะครับหลวงพ่อมันรู้ไม่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนช่วงนี้ดีกว่าเมื่อก่อนนะรู้สึกให้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้สึกไหมบังคับมันไม่ได้ครับตอนนี้ภาวนาดีนะไม่ใช่แยกวัตถกรแต่ก่อนไปกดมันไว้ท่าหางไปเพ่งไว้มันเลยเหมือนกับเห็นตลอดเวลา ตอนนี้เห็นแล้วก็เผลอเห็นแล้วก็เผลอเพราะเราไม่ได้ไปบังคับไว้อย่างนี้ดีกว่าอย่างโน้นนะแต่ตรงนี้มันร่อแหลมต่อความฟุ้งซ่านถัดจากช่วงนี้ไปนิดหนึ่งจะฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งเราก็อย่าอย่าทิ้งรูปแบบนะมีรูปแบบของการภาวนาทำสมถะบ้างอะไรบ้างใจมันก็จะมีกําลังจิตดีนะภูมิไม่ใช่วันนี้ไม่ดีรู้สึกไหมจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตใจก็นุ่มนวลอยู่รู้สึกไหม ครรับรู้สึกจิตเบารู้สึกไหมจิตอ่อนโยนรู้สึกมไหม <ฮะ S 2> อจิตนุ่มนวลแล้วจิตมันเคลื่อนไหวไปแล้วก็แค่ตามรู้ตามเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้ขึ้นมาเองนี่แหละคือจิตซึ่งรู้สึกตัวที่แท้จริงแหละรู้สึกตัวอย่างแท้จริงนะมันเฉียดกับหลงมากเลยเพราะมากกว่านี้นิดเดียวก็หลงเลยเอา้าวให้แม่บ้างเดี๋ยวพ่อค้อ เห็นชัดเลยค่ะว่าจิตมันบังคับไม่ได้อ่ะค่ะทั้งๆที่เรียนกับหลวงพ่อมานานก็ทราบเนี่ยแต่ก็ยังไม่วายไปให้ข่ามันแล้วก็เกลียดมันนะคะแต่ก็พยายามรู้ทันมันไปอะค่ะดีแล้วพุ่มหลงไปแล้วไม่ต้องไปค้นคว้านะว่ามันดียังไงอะถ้าไปค้นคว้าเราจะฟุ้งซ่านไปรู้สึกเล่นๆไปรู้สบายๆเนี่ยแข็งเกินไปละรู้สึกไหม ตัวนี้กดมากไปแล้วแข็งเกินไปแล้วรู้สึกไหมยิ่งแข็งมากขึ้นไปอีกงงไหมงงรั่วงงไงอย่าลืมสูตรนะอ้าวสาวก็ดูอยู่ค่ะหลวงพ่อดูก็ดีแล้วค่ะเข้าใจค่ะอ่ะส่งไปอีกส่งไป กรับพมรดการหลวงพ่อค่ะอยากให้หลวงพ่อดูสภาวะเนี่ยจะพูดว่าอยากให้หลวงพ่อแนละ้ว <c oughs> เก็บอยากไว้เดี๋ยวโดนว่า <c oughs> ขอคแนะนำนะ <c oughs> ที่หลวงพ่ออาทิตย์ที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูยังติดบังคับอยู่นิดนึงค่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยรู้สึกไหมเ <c oughs> บาค่ะเบากว่าแต่ก <c oughs> แต่ตอนนี้บังคับนะเนี่ย <c oughs> สงสัยเกิดขึ้นหนึ่งแวบรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยแวบขึ้นมาเราก็รู้ทัน เมื่อมารอบอกดแล้วกวดไว้แล้วเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ถึงใช้ได้อ่าพูดไปเมื่อรอบสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าจิตมันทํางานได้เองอะค่ะ mm hmm. แล้วก็พอมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเป็นอยู่หลายวันแล้วแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้เรามีทางเดินแล้วเหมือนกับว่าเร า, เรารู้สึกว่าเราเรารู้แล้วแล้วว่ า, เร า, ว า, เ, ราเราจะต้องเดินอย่างไรอ่ะค่ะ mm hmm. แล้วก็พอจิตมันคิดก็รู้ตอนตอนที่จิตมันไปเนี่ยก็จะรู้แล้วเริ่เป็นความรู้สึกว่าตอนนี้มันเห็นความเวลาที่มันเห็นความคิดนี่มันเห็นด้วยความชัดเจนมากเลยค่ะชัดเจนแล้วก็แต่จิตมันไม่ค่อยมารู้สติที่กายแล้วนะคะอตอนนี้เหมือนกับมันจะเข้าไปรู้ที่ใจมากกว่ า, อ, าอะไรก็ได้นะใช้ได้แล้วแล้วบางทีพอพอรู้ที่ใจแล้ว ดิมันก็อยากจะหายใจลึกเองอะค่ะกับมันหมดหมดหมดกำลังหรือไงเนี่ยมันก็จะหายใจอย่างลึกเองมันคือมันเปลี่ยนให้เองแบบที่เราไม่ต้องไปทำมอนนั่นแหละดูมันทำงานมันไม่ใช่เราแล้วเราจะตั้งดึงมันมาอยู่ที่กายไหมคะเพราะว่าเราไม่ออก็ยันว่าผิดตรงไหนเออแทรกแซงมันรู้แล้วก็ส่งไปอ้าวคนลบบุรีขอบคุณค่ะนี่อุตส่าห์มาไกลมีเสาเป็นที่พึ่ง ว่าไงว่าไงไม่ค่อยรู้อะไรแล้วค่ะอะไรนะตอนตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรอะค่ะแล้วก็รู้การู้ใจไปไม่ต้องรู้อะไรหรอกนะจิตใจเราเป็นยังไงขนาเนี้ยรู้สึกไหมตื่นเต้นหน่อยหค่ะตื่นเต้นหน่อยหน่อยรู้ว่าตื่นเต้นก็รู้แล้วตอบถูกแล้วก่อนหน้านี้มันไม่มีแรงนะมันก็เลยเหมือนดูอะไรไม่ค่อยจะออกะมันหมดแรงไป เมาาื่อเช้านี้นี่คือมันหมดแรงใช่ไหมคะใช่แล้วมันเลยไปอยู่นิ่งๆใช่แล้วมันเหมือนหนูรู้สึกว่ามันเ จ, จ้าๆอยู่ข้างบนนั่นแหละเวลามันหมดแรงแล้วมันไปจ้าอยู่งั้นแหละและไอ้ข้างล่างมันมีโมหะปิดข้างบนหน่อยหนึ่งแล้วก็มี<ช>อะไรไวๆอยู่ข้างล่างใช่ใช่แหมตอบถูกเป๊ะเลยถูกเป๊ะเลยใช้ไดอ้อันนี้ยังไม่มีอะไรผิดใช่ไหมคะถูกแล้วใช่ไหมมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้แทรกแซงเลยใช้ได้ เวลาที่มันหมดแรงแล้วมันเป็นอย่างงั้นแ่ะบางทีมันพลิ้วๆเลยนะมันสั่นอยู่ข้างในมันหมดแรงเหมือนเครื่องยนต์ทํางานหนักแล้วเครื่องมันสั่นอ่ะเคยเป็นไหมภาวนาบางทีพริ้วๆจะหมดแรงแล้วเวลาที่เห็นมันไหวๆอะค่ะมันเหมือนกับมันมีสองชั้นหรือเปล่าคะมันมีไหวชั้นบนชั้นหนึ่งแล้วบางทีมันก็ไหวสองชั้นพร้อมกันไหวกี่ชั้นก็ช่างมันให้เห็นแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้สั่งมันมันทำงานเอง ดูอย่างนี้เรื่อยๆมาส่งมาหลานหนูหนาส่งกันบ้านชื่ออะไรลืมไปแล้วะขอแก่ครับชื่อป๊อปนะอครับก็ช่วงนี้กลับมามองตัวของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ไปมองคนอื่นมากเกินไปนะครับกลับมามองอนิสัยลึกๆของตัวเองด้วยอครับดี<ก>เริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเองค่อนข้างเยอะมากเออดีครับ ถูกต้องล้ดีแล้วดูไปไปส่งไปข้างหลังเลยเอาใครจะเอาก็เอาส่งไปก็อยากให้หลวงพ่อดูช่วยดูสภาวะซึมไปนิดนึงนะใจมันซึมไปนิดหน่อยนิดเดียวไม่เป็นไรครับที่คุณฝึกอยู่ดีแล้วครับเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงดูออกไหมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันดูไปเรื่อยๆขอบคุณครับเอาโยโยกมือไว้โย อ้าวอาจารย์นั้นยกมานานแล้วอ้าวหลวงพ่อลืมไปแล้วว่าไปอาทิตย์นี้รู้สึกว่ามันมีแรงค่ะอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกแห้งๆค่ะอใจมันสายแห้งเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมีแรงสลับไปสลับมาค่ะไม่เชียงฟุงซานค่ะเอเอถีอ้าวทรงมาโยอ้าวนั่งก่อนก็ได้คุณนั่นแหละไหนๆก็หยิบไมล์แล้วอ้าวนวสการหลวงพ่อคะ่ะคือ ช่วงเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองฟุ้งมากแล้วเหมือนกับว่าดูจิตไม่ค่อยได้โยคนจะเป็นอารมณ์ที่รุนแรงะคะ่ะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่าโทรสาแบบพุ่งมากแล้วก็ดูจิตว่าเนี่ยมีโทรสาร แ, แบบโมโหโมโหอุ้ยดีใจโมโหดูจิตได้แล้ว<อ>แบบนั้นแล้วก็คือเมื่อกี้พอฟังหลวงพ่อไปก็รู้สึกว่าตัวเองดูจิตได้ก็แบบดีใจมากเล็จะที่เสื่อมไปเป็นเดือนก็ <laughs> เสร็จแล้วก็กลัวว่าจะดูไม่ได้อีกก็เหมือนเพลงเพลงสะกพัหนึ่งก็โมหะแทรกแล้วก็เอ๊ะยังไงต่อดีก็รู้ว่าเอ๊ะสิอะไรเป็นปัจจุบันรู้ว่านั้นแหละนะดีแล้วใช้ได้แต่เหมือนก็แบบดูไปแบบโงงงงงงยังไงก็ไม่รู้ค่ะอย่าฉลาดเลยกรรมฐานนะเรียนมันงงงอเรียนซื่อๆแล้วยิ่งง่าย แล้วบางครั้งคือเหมือนกับเราดูจิตไม่ได้เลยแล้วเราก็พยายามแบบอยากดูได้แล้วเหมือนอาภาคมันให้ให้ให้รู้ว่าอยากถ้าอยากดูไม่ได้แล้วก็อยากดูรู้ว่าอยากนะก็ดูได้ละแล้วรู้สึกก็เหมือนตัวเองเพ่งแล้วมันก็ดูผิดไปเรื่อยๆค่ะอันนั้นไปทําตามความอยากแล้วความอยากเกิดเราไม่เห็นก็คือถ้าดูไม่ได้ก็ปล่อยให้มันดูไม่ได้ไปดูไม่ได้ไม่ได้ปล่อยดูไม่ได้รู้ว่าดูไม่ได้ มันเหมือนไม่รู้อะไรเลยอะคะ่ะรู้ว่าไม่รู้อะไรเลยเห็นไมมันรู้จนได้แหละอา้าวโยยกมือว่าโยไม่มีหรอกสภาวะไม่มีหรอกนะว่าขณะใดไม่มีสภาวะไม่มีอะ่ะครับเนี่ยจะให้ฟังเสียงหน่อยมีแต่เสียงคนอื่นในซีดีอ้าวโยว่าไปคือรู้หยุดที่ตรงที่เป็นกลางตรงนี้มัน กลางมากไปเปล่าตรงนี้ไม่กลางแล้วนะเป็นตื่นเต้นหน่อยอตื่นเต้นไปแล้วที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้ดีแล้วมันบางทีได้ยินเสียงอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมันจิตมันไหวออตลอดดีแล้วมันไม่อยู่นิ่งหรอกะความเป็นกลางไม่ใช่แปลว่ากระทบแล้วไม่ไหวนะกระทบแล้วมันก็ไหวไปมันกระเทือนไปแต่เราไม่ได้เกลียดมันที่มันไหวนี่นถึงเรียกว่าเป็นกลาง ไม่ใช่ว่ากระทบแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นจิตกระทบอารมณ์เช่นตามองเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะเนี่ยรู้ว่ามีราคะ่แค่นี้ใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าดูยังไงจะไม่เกิดราคะอันนั้นแทรกแซงแนละ้วเอาว่าไปก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวทำให้เราปฏิบัติได้ค่อนข้างจะดีดีขึ้นนะคะ อยู่คนเดียวไปแต่ว่ า, อ, าอยากจะสอบถามจากหลวงพ่อว่าต้องหนูต้องทำสมถะสมถะมันทิ้งไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าทำแล้วเพ่งก็หยุดไปก่อนแต่ว่าถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเราก็ทำสมถะสมถะมีตั้งเยอะแยะอย่างอ่านหนังสือหลวงพ่ออะไรเงี้ยจิตใจก็สงบข้นมา ก, ก็เป็นสมถนะคิดถึงพระพุทธเจ้าสวดมนต์ไปก็เป็นสมถลนะละ<ำ>อัสิบโมงละ ว่าไปโอเคแล้วใช่ไหมคะเ อ, อาโอเคแล้วนะอ้าเชิญกลับบ้าน